วันนี้ได้สองสามวันมาแล้ววัดมันเล่นงานเอา <c oughs> วัดอันนี้วัดใหญ่ทำให้เสียงแหบเสียงแห้งไปแสดงธรรมที่กรุงเทพก็ ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะวัดนี่มันเด่นมันขึ้นบนศีรษนะนู่นมันเดินปวดที่สะเสียดแทงเอาเหมือนก็เอาเลยเแกลมมาแทงผ <c oughs> <c oughs> ิวสามาเมื่อวานี้นะตัวนั้นวัน้อดทนเต็มที่เลย ถ้าไมอดทนก็ไม่มาซ้ำเลยเพราะว่าวัดมันเล่นงานออกเน่ยอดทนมาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันประเพณีญาติโยงก็ถือโอกาสให้มาทำบุญพร้อมเพียงกันเป็นประจำมา เพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจอดทนเดินทางมาถ้าจะมาแต่เช้าก็ติดนิมนต์ไปฉันในบ้านโยก็มาไม่ได้เที่ยวคําเครื่องบินจากกรุงเทพมาอุดรก็ไม่มีต้องเลยนั่งเครื่องบิน กรุงเทพมาลงขอนแก่นให้ <c oughs> อารถไปรับเอาที่ขอนแก่ <c oughs> เนเดินทางมาเมื่อคืนนี้ฝน <c oughs> ตกมาตามทางระยะเข้าเขตอุดร <c oughs> วิ่งเร็วก็ไม่ได้ <c oughs> พอมาถึงอุดรแล้วก็ชาไปมาถึงวัดเก็เกือบเกือบห้าทุ้มพอดีเราถือเป็นกิจวัตรที่ดำเนินมาเข้าเดอนเก้าดับเรื่องเหมือนกันมันจะมีเหตุบังเอิญ ตอนเช้ามาไม่ได้ต้องมาตอนคำ่ำแล้วก็ต้องนั่งรถตะขอนแก่นมาสังสองสามชั่วโมงล้วถึงสลกกรกพัสนี่ก็เหมือนกันคิดว่าจะมาเครื่องบินตอนเช้ามันก็มาไม่ได้ติดนิมนต์เมื่อวานนี่มีผู้ไป เขาใช้สำนวนว่าฉันมานี่มาจองหลวงปู่นะบางท่านนะเอาแล้ววันนี้คำนวนใหม่แล้วว่า น, นแทนที่จอมมานี่มนไม่เอามาจองอืมอีก <c oughs> <c oughs> สองสามลายมานี่มนเมื่อวานนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นกิตติมนี่จึงว่า มันมีไม่มีทางหยุดยั้งเลยเนื่องจากมาันมันนีมงโล่งหน้าไปเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วมันจะไปหยุดได้ยังไงบ้า น, นี้เรื่องเสียแต่ว่ามีกิจจาเป็นทางวาดัดเข้ามานี่งตก็ไม่รับตอนนั้นเนี่ยดังนั้นไงอันนี้ก็เป็นสักขีพยาน ให้พวกเราได้รู้แล้วว่าคนในเมืองหลวงเขาก็มีศรัทธาแรงกล้าในการทำบุญกุศลจไม่ใชีศรัทธาแรงกล้าตั้งแต่พวกเราแล้วบางคนบางพวกเขายังภาวนาเก่งซะด้วยเข้ามาไถ่าถามเรื่องภาวนาะ อย่างน้นอย่างนี้ภาวนาลงไปจิตมันสงบลงเห็นโน้นเห็นนี้เป็นยังไงก็ได้อธิบายให้ฟังไปอันนี้คนในกรุงน่ยไม่ใช่เขาทำทานนั่นอย่างเดียวหาไม่ได้เขามีศีลด้วยแล้วมีภาวนาด้วยให้ปากันเข้าใจ พวกเราส่วนมากมีส ม, มุนให้ทานเดือนทีพิหนตามธรรมดาศีลไม่ค่อยคำนึงหาอย่างนี้ในภาวนายิ่งแล้วเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงจยกขอตักเตือนพุทธบริสัท์ทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญบุญกุศลให้มันครบวงจรให้ได้ พอเราก็ได้พวัดพวากันมาหลายปีดีดักแล้วมาทำบุญทำทานก็จะมายกย่องส่งเสริมกันตั้งแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านี้แล้วบุญกุศลที่ถุงเงินไปกว่านี้ไม่ยกย่องไม่ซักชวนกันทำเช่นนี้มันก็จะย่ำตอกอยู่แต่ที่เก่า เหมือนอย่างเดินทางหรือเหมือนอย่างขึ้นบันไดก็ไปเหยียบอยู่แต่ขั้นแรกเหยียบอยู่อย่างนั้นมันจะถึงบนเรือนได้ยังไงอ่ะโอ้ขึ้นบันไดเหยียบขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องข้าวิ่สู่ขั้นที่สองที่สามไปเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในภูริศาสนานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคอยพากันเข้าใจ เพราะว่าข้อปฏิบัติมันก็สูงขึ้นไปโดยลําดับแล้วกิเลส ท, ที่เป็นเครื่องลบ ก, กวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่มันก็มีเป็นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดให้พากันพิสูจน์ดูให้ดีขั้นหยาบความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นมูลเหตุที่คนทําบาป ไม่กลัวบาปเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามกล่าวมุสาวาดื่มทุราเมลัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนอนี่กิเลสสามกองที่มันยังหยาบนี่นะมันเป็นเหตุให้คนทำบาปเพราะฉะนั้นพากันเข้าใจ อย่าพากันไปยินดีในบาปคพาเรายินดีในบาปนั่นแหละมาแต่ชาติก่อนหุ้นหลังก็จึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้จะจบจากสิน้นเอา้าไม่ได้ฝึกผนอารมณ์จิตใจไม่ได้ภาวนาจิตใจไปผูกพันอยู่กับลูกกับล้านญาติมิตรเก่าของเงินทอง เอาตายลงแล้วก็ไปเป็นเปรตเผ่านาเฝ่าสวนเผ่าวะบา้าเนเผ่าเงินเผ่าทองลูกหลานญาติมอยูข้างหลังเอาทําบุญอุทิศฐาเออญาติผู้วายชนไปอย่างนี้นะอย่างที่เราทํากันวันนี้ด้จตนาก็หวังว่าจะอุทิศส่วนบุญกุศลนีใ้ให้แก่เพศ่อญาต มีมารดาบิดาปู่ยาตายายญาติมิตรสหายเป็นต้นตลอดถึงสัพสัต์ทั้งหลายที่ยังคล้องอยู่ในโลกนี้เราก็มาทำบุญอุทิศกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นให้เต็มที่แล้วเช่นนี้ ทื่ว่าเป็นผู้ใดบอมเพงบุญกุศลอย่างแรงกล้าหรือบอมเพนบุญกุศลมากมเมื่อบทอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรไม่ต้องพึ่งบุญบา ร, รมีญาติพี่น้องทำบุญอุธธทิศให้ก็มีความสุขพอทุกควรทีเดียวในว่าสุขยิ่งกว่ามนุษย์หลายน้อยเท่าแล้วก็แล้วกันแล้ว ดังนี้นะเป็นคติเตือนใจของพวกเราก็เราจะชอบจะชอบเป็นเพลอย่าชอบให้ญาติพี่น้องผู้ยังมีชีวิตอยู่ทําบุญอุทิศให้เรายังมีชีวิตอยู่นี่เราทําเอาเองเราทําเอาเอาศีลเราก็รักษาเอาอย่างนี้นะนอกจากให้ทานแล้วนะ ก็ชีวิตนี่มันก็กรู้กันแล้วว่าอยู่ไปมันก็ทุดทรมไปแม้จะมีอาหารดีๆมีผ้าหนุ่งสวยๆงามๆมีบ้านช่องโอโอโอถงอย่างไรก็ดีอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อํานวยความสะดวกให้ไอสถานที่เราเนี่ยมันก็โอดถงอยู่จิ้งฮะแต่เราอาศัยมันนานไปร่างกายนี่สิ มันทุดโทรมไปเรื่อยๆน่นะให้คิดดูให้ดีไม่ใช่ว่ามันจะปัจจัยเหล่านั้นมันจะต่ออายุชีวิตของเราให้นุ่มให้สาวอยู่เรื่อยไปไม่ให้แก่เจ็บตายให้ง่ายอย่างนี้ไม่ใช่นะขอให้คิดดูให้ดีอย่าพากันไปหลงไหลมีที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มมีพัดลมมีไฟฟ้ามีแอร์ สมัยใหม่มีรถจนขี่มีเงินใช้แล้วอย่างนี้เข้าใจว่าตนมีความสุขมากแล้วไม่คิดถึงอนาคตแห่งชีวิตหรือไม่คิดถึงบาปคุณคุณโทษคนมีทรัพย์มากมักจะใช้ทรัพย์ไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษมีมากมายกายกองอ คนมีทรัพย์มากมักจะใช้จ่ายไปเล่นการพนันบ้างเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเอเห็นหญิงใด้าเห็นหญิงใดชายได้สวยสวยงามงามแล้วก็เอาเงินไปหวานเอาอย่างนี้แม้จะมีเงินเป็นหลายร้อยล้านมันก็หมดได้อการบำเพ็ญตัวเป็ น, นเรื่องเจ้าชู้อย่าว่าจะมีเงินหมื่นเงินแสนเท่านี้นเลย แล้วการดื่มเหล้าเมาสุราโมนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่ทำลายสุขภาพกายสุขภาพคิดตัดทอนลายได้รายรับเงินทองเก่าของที่หามาได้ก็ใช้ไปโดยไม่ใช่เหตุอาใช่โดยไม่ใช่เหตุนะ้ดื่มแล้วเมาเมาแล้วทั้งให้โทษ ด, ด้วยแล้วทั้งหมดเงินด้วยเช่นนี้นะมันจำเป็นที่ไหนล่ะ สำหรับคนมีปัญญาแล้วเขาย่อมคิดนะทําอะไรนะ่ะย่อมคิดว่าทําอย่างนี้นะมันเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างนี้นะคนมีปัญญาเนะ่ะเมื่อคิดเห็นว่าอ้ามันมีแต่โทษได้คุณไม่มีเขาก็ต้องหดเว้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นคนขาดปัญญาขาดความคิดแล้วว่าแต่เห็นคนอื่นเขาสนุกสนานเอา้าคนอื่นก็ชักจูงก็เอา้า มัวเมวาตามเขาไม่ได้คิดแหละไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตนกําลังต้องเสพอยู่นั้นมีคุณืมีโทษไม่ได้คิดเลยเนี่ยการดื่มของเสพติดเมื่อมันติดไปแล้วอย่างนี้มันมันประเดิมไปเรื่อยอันทางกิลดน้อยลงไม่มีเงินทองก็ต้องเพิ่มเลยคือของเสพติดอย่างนี้แล้วมันจะเอาที่ไหนมาเงินทองหาไม่ทันเลย เพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายแต่เพียงซื้อสุรายาเมาบริพ่อเ่านั้นจ่เลี้ยงครอบครัวจ่ายค่าภาษีอากรอะไรต่ออะไรสรพัดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากระจายค่า ย, ขายุขค่ายาเราคิดบวกลบคุณหารดูแล้วไรายได้เราได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะสมมติว่าเดือนนึงหนึ ได้ห้าพันบาทอย่างนี้เราก็ต้องมาบวกค่าใช้จ่ายออกไปลงดูสินั่นแหละเราเสียค่าปุ๋ยมาใส่สวนใสนาบ้างเสียค่าไฟฟ้าบ้างเสียค่าอะไรต่ออะไรหลายอย่างเมื่อจำแนกออกไปแล้วเงินหนะ้าพันมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างนี้นะ คนเราถัดใช้ใจ่ายมีแต่มัวเมาไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างนี้เยมันก็อับจนในภายหลังนละจนกรอกอเดี๋ยวก็ไปเอาหน้าเอาสวนไปก็จำนองจำนามธนาคารเขาเอาเงินเขามาใช้แทนที่จะเอามาลงทุนเพื่อหากำไรส่งดอกเขาเอาเงินมาใช้ใจ่ายชรุยสุ้าไลทาง ให้ไม่เกิดดอกออกผลเลยเงินนั้นก็หมดไปอันนี้นะไม่ได้ทรงดอกเขาซ้ําเลยอันนี้เมื่อหมดอายุสัญญาแล้วเขาก็มายึดทรัพย์อันนั้นเสียธนาคารแผ่นดินหรือสวนนะ น, นั้นก็ตกเป็นของเขาไปจะหาเงินไปไถ่ถอนออกก็ไม่ได้ตลอดชีวิตก็หาไม่ได้ถ้าผู้ใดเป็นนักเรง เจ้าสู้เป็นนักเรลงสุรานักเรลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นวิจฉาไม่มีทางหรอกเป็นหนี้เขาตลอดวันตาย เ, เป็นเป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ก็เรียกว่ามรดกที่พ่อแม่มอบหมายไว้ให้นั่นก็หลุดมือไปเป็นของผู้อื่นไปนี่นะโทษทิตส่องเสบของหมึนเมาและส่องเสบของ ให้โทษดังกล่าวมาแล้วนี้ให้พากันคิดพากันพิจารณาให้ดีแม่บุรี่พอดีบุรี่นี่ก่ะซองหนึ่งสามสิบบาทบุรี่ยังดีขึ้นก็ห้าสิบบาทไปแล้วแล้วอย่างนี้นะลองดีตัคิดดูที่รายจ่ายวันๆนะันึ่นผู้ที่รับจ้างเขาได้เงิน ค่าแรงงานวันหนึ่งห้าสิบบาทเจ็ดสิบาทอย่างนี้นะถ้าไปติดสุลาเข้าไปติดบุหรี่เข้าเอาไปซื้อสุราซื้อบุหรี่สูบเข้าไปแล้วที่ไหนแล้วจะเหลือพอได้ไปซื้ออาหารไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหลือก็เหลือนิดหน่อยถะาลองคิดดูสิล่ะจะมาให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยังไงแล้วถ้าผู้ใดตัดสินใจงดสูบบุหรี่งด ดื่มสุรางดเล่นการพนันงดเข้าในคลับได้แล้วเงินค่าแรงงานวันหนึ่งเจ็ดสิบาทก็มันก็เหลือไปถึงมือลูกมือเมียเขาจะได้ซื้อจ่ายอาหารหาอาหารการกินมาสู่กินกันเข้าไว้หรือว่าจะเก็บหอมรอมริบไว้เกิดซื้อเครื่นึ่งเครื่องหมในเวลาจำเป็นมันก็ยังพอมี ผู้มีรายได้น้อยถ้ารู้จักประหยัดรู้จักเว้นในการใช้จ่ายที่ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรนั่นเสียได้มันก็ไม่ไม่เ็นนี่เ็นสินไผ่มีไรมีนามีบ้านมีส่องของใหม่หลุดมือจากตน้นไปเป็นสมบัติผู้อื่น <c oughs> อันนี้นะเพราะฉะนั้นให้พาการเข้าใจ ในการที่เรามาทาบุญกันในวันนี้เจตานาก็ อ, อุทิศส่วนบุญกุศล น, นี่ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือตลอดสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในวัฏสงสารนี่ล้วก็เป็นคติธรรมอันหนึ่งดังที่แนะนำมาแล้วนะเป็นเครื่องเตือนตนอย่าเพียงแต่ว่ามาทำบุญอุทิศให้ ผู้วายชนไปอย่างเดียวเท่านั้นต้องนึกถึงชนว่าเรานะอย่าไปปาถนาที่จะให้เขาทําบุญอุทิศให้เท่านั้นเรายังมีชีวิตยอยู่เราต้องสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเกิดให้เกิดมีขึ้นในใจของชนให้มากๆทีเดียวอย่าประมาทเพราะเมื่อเราตายไปแล้วบางทีลูกหลานเขาไม่มีโอกาสจะทําบุญให้ เขาติดขัดเขาไม่มีเงินมีทองบ้างเขาเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอุนรุดบุตริตศให้อย่างนี้นะ เ, เราก็ฝากแข้งไปสิตายไปแล้วไม่มีเงินจะกินแล้ว น, นี่ต้องคิดให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่มันต้องพยายามสั่งสมบุญกุศลไปการภาวนาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นการรวบรวม ซึ่งบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างไว้มาให้เติมถูนถ้าใครไม่ไหวพระไม่ไหวพระภาวนาแล้วอย่างนี้จิตใจก็เลื่อนลอยวุ่นวายคิดสงสัยไปทางอื่นไปเกาะไปคล้องอยู่เรื่องอื่นเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารนู่นเมื่อใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งอื่นแล้วอย่างนี้ แล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเป็นที่พึ่งอยู่ได้บุญกุศลมันจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรเพราะว่าตนไม่รักษาใจปล่อยให้กิเลสตันหามันจูงใจไปก็ไปคล้องอยู่ในเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างนี้นะเพราะว่าบุญหรือบาปนั้นมีใจเป็นใหญ่ก็เคยพูดให้ฟังอยู่เอาท่าใจนี้ไปพอใจกับบาป มันไป ย, ยึดบาปเป็นอารมณ์แล้วบุญก็เกิดไม่ได้นะถ้าใจชอบใจกระ บ, บุญกุศลแล้วยึดบุญเป็นอารมณ์บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะให้คิดให้ดูให้ดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านก่อนนอนตื่นนอนให้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนา สัมรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณน้อมนึกถึงบุญถึงคุณน้อมนึกถึงคุณพระรัตนไกาแก้วสามประการเป็นที่พึ่งที่ทะลึกแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมาเป็นที่พึ่งไว้อมเมื่อเรานึกถึงอยงบ่อยๆอย่างนั้นบุญคุณก็ย่อมบางเกิดขึ้นในใจของเรา บุญคุณก็ไม่สูญไม่หายไปไหนแล้วก็เป็นสมถะคือทำใจของเราตั้งมั่นสงบอยู่ในบุญในคุณไม่หันเหนไปในกิเลสตัณหาไม่หันเหนไปผูกพันอยู่กับบาทกับเปือนกับไล่นาล่วสวนกับเงินทองเข้าคล้อ ง, งต่างๆหมดแล้นะนะนั่นแหละ แต่การที่ปล่อยใจผูกพันอยู่อย่างนั้นเนียนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตดังกล่าวมาแล้วแต่ผู้อยู่เบื้องหลังที่ในทําบุญอุทิศเพรตชนผู้เป็นญาติเมออื่ยเราให้อัตถิเป็นคติเตือนใจอย่าไปนึกว่าเป็นประเพณีเ อ, อแล้วตนเองก็ น, นึกว่าเมื่อตอนตายไปแล้วลูกหลานเขาก็จะทำบุญอุทิศให้ เราไปมุ่งหวังอยู่แต่อย่างนั้นแล้วไม่ภาวานาไม่ฝึกพนจิตไม่ทํารวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุณในคุณปล่อยจิตให้เผลนให้เมาไปทางอื่นเสียไม่ทํารวมในสินแล้วอย่างนี้นะการที่เรามานับถือบุรุษศาสนานี่ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไม่ได้ผลขอให้เข้าใจ เหมือนอย่างพระเจ้าอโศกอศกระมหาราชที่ครองประเทศปกครองประเทศอินเดียอยู่ในสมัยทมสังคายนายขั้งที่สามพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันบริพานมาได้สามร้อยกว่าปีพระเจ้าอโศกกระมหาราชอันได้ทามุนํำทานมากมายเหลือเกินในก่อพระเจดีย์ ได้ก่อพระวิหารแปดมื่นสี่พันห้องให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างอยู่ทั้งเจ็ดปีสร้างอยู่ทั้งเจ็ดปีจึงสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็ตั้งปณิธานทาบุญฉลองอีกเจ็ดปี เจ็ดเดือนเจ็ดวันทำการฉลองอยู่นั่นนะเมื่อเมื่อถึงได้เจ็ดวันแล้ววันนี้น้ำมีซ้ำยังไม่จุใจเอาสำลีทุบน้ำมันแล้วก็พันกายนี่โดยรอบเลยประเดียวเสร็จแล้วก็ยืนปนมมืออุทิศชีวิตต่อบพระพุทธเจ้าตอพระธรรมตอพระสงฆ์ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัง้ง บ, บูชาแล้วจุดไฟเผาตัวเองไฟไหม้สัมฤทธนั้นเข้าไปแต่ด้วยเดชะบุญบา ร, รมีที่พระเจ้าอโศกกระมาราชนั้นได้บำเพ็ญมามากมายไฟก็ไหมแต่สัมฤีไม่ได้ไหมตัวของพระเจ้าอโศกมราราชพระเจ้าอสุกกรมาราชก็รอดตายไป และ ว, วันนี้ในฐานะที่พระเจ้าอาศกามราชไม่ได้ภาวนาไม่ได้สำรวมจิตใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณกิเลสถึงครอบงามได้วันนี้นะเวลาเจ็บดักลงจนจะสวรรคตพวกเทนะอมตประชุมกันวิจารณ์พระราชาว่าเป็นผู้สละพระราชทรัพย์ที่ออกทำบุญในทานมากมายกายคอง พระราชทรัพย์ในพระราชวังนี้ล่อยหล่อไปมากเลยดังนั้นพระราชาพระองค์นี่ทำพระราชทรัพย์ของแผ่นดินให้สูญหายไปมากมายเมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ น, น้อยอกน้อยใจเพราะทนเจ็บป่วยลงไปชวนจะทิ้นชีวิตอยู่แล้วจะใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรกับเทนาอมาตอันนั้นก็ไม่ได้ มีแต่น้อยเนื้อต่ำใจโทมนัสกับแค้นใจกับเซนอาอมาตเท่านั้นแล้ววันนี้ตายลงวันนี้นะพอตายลงกรรมนั้นก็กรรมที่เปโกรธไปไม่พอใจต่อเซนอาอมาตนั้นบันดาลให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้เอาหัวหมุดน้ำกินปลาเลี้ยงเทียบอยู่อย่างนั้น กบุญยังหลายอยู่พระราชะโอรสพระราชธิดาสองพระองค์ได้ลาออกบวชได้สำเร็จอรหันทั้งคู่พระมาเห็นท่าเถระได้เข้าฌานแล้วพิจารณาดูว่าจิตวิญญาณของพระวิดาภายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้ได้ว่าไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวทนกิ่งไม้แล้วเอาหัวมุด น้ำนำน้ ำ, นำกินปลาอยู่โน่นนั่นพระมาหินจึงเหาะไปในอากาศแล้วแสดงตนให้งูเหลือมได้รู้ว่าอาตมานเนี่ยเป็นลูกชายของมหาบพิตรมาทั้งนี้ก็เพื่อมาเตือนพระองค์ให้ระลึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนไกลให้ได้พระองค์ก็ทำบุญมามากมายแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทเพราะพระองค์ประมาทไม่นึกถึงบุญถึงคุณในเวลาชวนจะชิ่นชีพ ท, ทำลายขันนั่นแหละเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้มาเกิดเป็นงูเหลือมกินปลาอยู่อย่างนี้ขอลูกทายเตือนอย่างนั้นก็ระลึกถึงบุญถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเมื่อบุญคุนนุ่นบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ก็เลยตายจากงูเหลือยมไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าโน้นบัดนี้ไปเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงโน่อนออันนี้แหละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีเพราะฉะนั้นการข้อบวัดปฏิบัติต่อพระเถรเจ้าแสดงไว้นะพระองค์แสดงไว้อย่างรอบอครอบจริงๆแต่ถ้าจะพระองค์แสดงนะแ ต, แต่คนจะให้ทานเฉยๆอย่างเนี้ย ไทานการกุศลเรานี่ช่วยคนไปพ้นจากนรกจากเปรตอสุรกายสเดชาไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เพราะคนดาบุญดาทานแล้วไปทําบาปอย่างนี้นะเออถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไปรักทรัพย์ของผู้อื่นทํำให้รักทรัพย์ก็ไปเล่นชู้จากเมียจากผัวถ้าไม่เล่นชู้จากเมียจากผัวก็ไปพูดปดพูดโกหกพกลม เออให้คู่อื่นเดือดร้อนเพราะปากของตัวเองหรือไมชนะนั้นไม่พูดพดก็ไปดื่มธุระเมลัยกัญชายาฝิ่นให้โรกอินหรือไมชฉะนั้นก็ไปเล่นไพ่เล่นทัวรอเล่นมา้าไปดูมวยแล้วก็ไปลงกันอา้าวก็เล่นกามานามึงการองมวยนี่ก็เรีย <c oughs> เหมือนกับือนการเล่นก ร, รมนณัติวันนี้ไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาสถานที่มั้นหรอกดูโทรทัศน์เอไปรวมดูโทรทัศน์มีมวยเข้ามาแล้วก็ลงกันที่เอาใครจะชนะเอลงกันะเออผู้ใดทายถูกอย่างนี้ผู้นั้นก็ได้ไปเอนี่วิธีเล่นก ร, รมวัตมีอยู่หลายประเภททุกวันนี้สารพัด เพราะฉะนั้นเราต้องพากันพักสังวรระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะรายได้ก็มีเพียงเล็กๆน้อยๆเราจะเคหวังรวยเรื่องกรรมวันั้นอย่าไปนึกถ้าไม่มีทางรวยหรอกเราเก็บหอมลอมลิบไว้หาได้มาแล้วก็เก็บหอมลอมริบไว้จ่ายแต่ต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่จำเป็นอย่าไปจ่ายมันอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินของใคร ก็นอนตาหลับดีอันนี้อะไรเท่าที่ทราบนี่เป็นลูกหนี้เขาเกือบห้าหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นุ่นคนในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งในเมืองนึงหนึ่งแล้วการเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกต้องหาเงินใช้หนี้เขาอยู่นั่นแหละเอาไปดาวเอารถจักรยานมาขี่เอามขี่แล้วก็ต้องได้หาเงินไปใช้หนี้ให้เขาเอา ถ้าไปหาเงินใช่นี่เขาไม่ได้หมดสัญญาเขาก็มายึดเอารถคืนไปในอย่างนี้นะมันมีอยู่ทุ่มไปรถยนตก็เหมือนกันเนี่ยไปดาวเอารถยนต์เขามาขี่แล้วตนก็หาเงินผ่อนส่งมวดเขาไม่ไม่ไหวไม่ทันไม่พออพอได้คบกำหนดสัญญาแล้วคกมายึดเอารถไปเสียมีอยู่ทุ่มไป นี่จะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรล่ะคนเรานี่นะก่อนที่จะไปดาวเอารถเขามาขี่เนี่มันต้องพิจารณาดูทุกอนว่าเราเรามีรายได้พอที่จะไปดาวเอารถเขามาขี่พอจะผ่อนส่งดอกเบี้ยดได้หรือไม่ก็ต้องคิดต้องพิจารณาให้แน่นอนทุกอนถ้ารู้ว่าเรามีรายได้ละเดือนนึงหนึ่งมีรายได้เท่านั้น ทุกคนต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์ให้พิจารณาดูชีวิตนี่มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้ววันนี้เราจะไปแยกความทุกข์ออกจากความสุขได้อย่างไร เดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นทุกขเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนีะให้พึงพากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไป ก็ต้องกำหนดรู้เท่าทาั้งสองอย่างความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ติดอยู่ในความสุขนั้นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่วันวหวไม่เดือดร้อนไปทางความทุกข์นั้นนั่นเรียก ว, ว่าจิตใจรู้เท่าทาั้งสองอย่าง เช่นนั่นแหละจึงถูกต้องอเพราะความสุขความทุกข์มันก็เป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วโดับไปเพราะฉะนั้นพระพุเทธเจ้าจึงทรงสอนมาให้ยึดถือมาให้วันไหว เราต้องให้เข้าใจอย่างนี้การภาวนาก็ลองสังเกตดูให้ดีคนเราเนี่ยจิตใจวันไหวอยู่ด้วยสุขด้วยทุกนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเมื่อมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะจิตใจก็เป็นทุกข์แล้ว เพราะความโกรธเป็นของร้อนเผาใจให้ให้เล่าร้อนใจจึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้อืวันไว้ไปมาเมื่อระงับใจไม่ได้แล้วก็มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางกายก่อนหน้าบูดหน้าบึง้งกิริยากายก็ไม่สุภาพเปียบร้อยทางวาจา ก็พูดจะไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานพูดหยาบโลนต่างๆนานานี่เรา แ, แสดงถึงความทุกข์ทุกคนเมื่อมาจับต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ละเหตุแห่งความทุกข์อนนั้นเสียได้แนละ้วทุกดังกล่าวมานี้มันก็ดับไปจากจิตใจอม หมายความว่าละความโกรธได้เสียเช่นนี้นะความทุกข์ใจมันก็ระงับไปนั่นแหละเมื่อใครเบื่อหน่ายต่อความทุกข์อย่าไปโกรธือภาวนาทําใจตั้งมั่นแล้วสอนใจของตนด้วยปัญญาสอนให้มันเบื่อมันหน่ายมันเห็นโทษแทงความโกรธือ ความโกรดนี่แหละรู้มันจะเป็นอาหารของจิตใจประจำวันลองสังเกตดูมเมื่อเกิดทำอะไรมามันผิดหวังบ่ใครมาขัดขวางความประสงค์ของตนเหรออันนี้มันหงุดหงิดขึ้นมาแล้ว อ, อย่างนี้เราเรียกว่า มันเป็นอาหารประจําวันของจิตใจบัดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาก็พยายามสอนใจของตนด้วยปัญญาอย่าให้มันไปตามอำนาจแห่งความโกรธความไม่พอใจต่างๆอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจ เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าตนไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นก่อนแล้วมันก็ไม่ละไม่ถอนอมันก็รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นแหละมันมันเรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็หวนไห้ไปตามหงุดหงิดไปตามอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะไม่คิดว่าจะละมันไม่เบื่อมันไม่นายมัน ด่วยปัญญาหมายคาว่าผู้นั้นเลี้ยงกิเลสไว้เมื่อเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละใจก็สบายก็ถือว่าตนนั้นมีความสบายแล้วเยน็นออกเอย็นใจอยู่นั่นแหละ เมื่อเวลามีเหตุมากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วนั้นสิมันก็รู้ได้เลยว่าจิตใจสบายจริงหรื อ, เ, อ, อเมื่อมันหวอนไหวไปตามเรื่องกระทบกระทั่งต่งางนั้นมันก็ ก, ก็จัดว่าไม่สบายแล้วใจเอหรือว่าใจเป็นทุกข์กับอารมณ์นั้นนั้นนะเป็นอยงนั้นถ้าใจไม่หวอนไหวไปตาม จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาก็รู้เท่าทันตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วความทุกข์ทางใจก็ไม่มีออืแล้วเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งป่ามันจอนมาแต่ภายนอกมันก็ดับไปเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วมันก็ไม่มีมันก็ดับไปออื อันที่มันไม่ดับนั้นเพราะใจยึดถือเอาไว้เป็นสัญญาอารมณ์วิตกวิจารอยู่อย่างนั้นนะเมื่อใจยึดเอาไว้แล้วอืมเช่นนี้แหละจึงว่าอะไรอะไรมันก็นมาลงที่จิดตดวงเดียวนี้เองเอืะทุกคนได้เข้าใจแต่จิดตดวงนี้แหละท่ า, าก็าเราไม่ฝึกมันก็ตกเป็นท่าของกิเลส อ, อย่างนี้แหละอืม มันจะมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสได้กับเพราะเราฝึกหัดอดหัดทนต่อการกระทบกระทั่งต่างๆไม่ปล่อยให้จิตร่วงแหวกไปตามอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งนี่เรียกว่าหัดที่ไหนผะู้ไม่ฝึกไปหัดหมายความว่าเรื่องใดกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็หวันไหวไปตามตื่นเส้นไปตาม ไอ้อย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่ฝึ ก, กจิตใจของตัวเองต้องให้เข้าใจอย่างนี้จะจะปล่อยจะคอยให้มันสงบเองให้มันเย็นเองไม่มีทางถ้าปล่อยให้มันเย็นเองมันก็อย่างว่ามันก็เย็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วมันมีเหตุกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ร้อนขึ้นมามันก็ เย็นอยู่ตามปกติไม่ได้เลยนั่นแหละพากันกรวดดูจิตใจของตัวเองเราได้บำเพ็ญเพียรภาวนามาจิตใจมันสูงขึ้นอย่างที่ว่านี่ไหมไม่มีใครอื่นจะรู้ตัวเองยิ่งกว่าตัวเองเลยตนเองนะั่นนะรู้ตนเอง ให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกืั่นแะอย่าไปย่ำต๊อกอยู่ที่เก่าการปฏิบัติธรรมต้องพยายามให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆอเมื่อใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วอย่างนี้นะมีเหตุอะไรมากระทกระทั่งเข้ามันมันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นๆได้ตามเป็นจริงเลย เพราะใจตั้งมั่นไม่วันไว้กับเรื่องที่กระทบกระทั่งมามันจึงรู้แจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้และก็ละได้ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่นะมันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวรลารเลยให้เข้าใจ มีสติประคอ ง, คอ ง, งนอนจิงงตให้เป็นปกติอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรอยู่ก็มองเห็นจิตตัวเองในผลปกติอยู่เป็นปกติปกติรู้ปกติเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วมันดับไป ไม่คงที่มีแต่พระนิพานเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีดับนอกจากนั้นแล้วมีเกิดมีดับทั้งนั้นเลยแต่ผู้ที่ทำใจได้ทำใจให้สงบละเอียดปันนีษ จ, จนได้บรรลุฌานสมาบัตเช่นนี้ละจิตสงบอยู่ได้นาน อันนี้สงแห่งความสงบอันนี้เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกอายุยืนตั้งเป็นกลับเป็นกันนะู่นอายุพรหมนี่นะท่านมีชานสมาบัติะเป็นอาหารพรหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นเป็นอาหาร เพราะรูปกายของพรมนี่ละเอียดมากดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอาหารอันอื่นมาหล่อเลี้ยงอาหารยหยาบๆไม่ไม่ถูกต้องเงือาพรมนั่นอยู่ด้วยปีติในธรรมอันเกิดจากความสงบนั่น ทีนี้ถ้าผู้ที่ทำใจเป็นสมาธิพอประมาณไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างนี้ก็มาเจริญปัญญาเข้าไปบ่อยๆหาอบายสอนจิตตวงนี้นะให้มันรู้แจ้งในสิ่งที่มันยังไม่รู้เมื่อมันรู้แจ้งสิ่งใดแล้วก็สอนให้ปล่อยสอนให้วางไม่ให้ยึด ถือในสิ่งที่รู้นั้นไว้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนี่หมายความว่าให้พิจารณาเห็นแจ้งแล้วปล่อยวางไม่ไม่ใช่สอนให้ยึดถือเอาไว้ความรู้ความเห็นทั้งสามนานาหมดนั้นก็เหมือนกันนะเมื่อรู้เรื่องนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ ปล่อยวางปล่อยวางแล้วความรู้ความเห็นเรานะั้นมันก็ดับไปก็ยังเหลือแต่ความรู้จริงอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจให้ดีหรือมันเกิดปีติขึ้นหมนี้นะแล้วก็พิจารณาว่าปีติก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้น พวขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเมื่อรู้ความจริงของปีติอันนี้แล้วจิตใจก็ไม่ยึดไม่ถือปีตินั้นกำหนดรู้เท่าอยู่อย่างนั้นไปถึงเวลามันดับมันก็ดับไปปีติอันนั้นนะ่ะนั่นแหละหรือมันเป็นุกใจอย่างนี้นะ เราก็ไม่ปฏิเสธอันความสุขนั่นนะมันมีเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วมันก็เป็นสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงทำความรู้เท่าความสุขนั้นอีกทีหนึง่งไม่สำคัญว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนเมื่อถึงเวลามันดับไปมันก็ดับไปความสุขนั้นนะ่ะ ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขอย่างนั้นอยู่ตลอดเรื่อยไปไม่ไม่มีไม่เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าความสุขในพระนิพพานนั้นหมายเอาความสุขอันเกิดจา ก, กจิตใจที่สงบจากกิเลสโดยประการทาั้งปวง กิเลสไปรบกวนจิตใจนะั้นไม่ได้มันจึงมีตั้งแต่ธรรมชาติโดยตรงไม่มีอย่างอื่นไปแวงอยู่ในธรรมชาตินั้นธรรมชาติ น, นั้ น, ท, นท่านเรียกว่าอมตะธรรม รปลว่า ร, รมที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีบรญญัติะจะบรญญัติว่าเป็นอะไรก็บัญญัตไม่ถูกไม่ได้เพราะมันมีอันเดียวไม่มีสองสามอันเลยดังนั้นแหละการเราปฏิบัติธรรมนี่ ก็มุ่งเพื่อให้จิตเข้าถึงอมตะธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าจุดมุ่งหมายจเจเราปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นหาไม่ได้การที่จิตจะเข้าถึงอมตะธรรมก็เนื่องจากว่ารักษาสมาธิไว้ได้แล้วก็เจริญปัญญาหาอุบายสอนจิต นี้ให้รู้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นนามนธรรมอย่างนี้เรารู้แจ้งแล้วไหมเรารู้จากลักษณะอาการของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณหรื อ, อยังอันนี้ถ้ายังไม่รู้แจ้งยังพากแคงสงสัยอยู่เช่นนี้แล้วก็ต้องพิจรารณาลักษณะอาการของนามนธรรมสี่ อย่างนั้นให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงว่านามธรรมเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นอนหนึ่งก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้รูปประธรรมก็เหมือนกันก็มีเกิดมีดับอยู่นั่นแหละรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนรับประทานอาหารเข้าไปวันนี้ พรุ่งนี้ถ่ายเทออกไปลูกดับอันนันนะแรับประทานเข้าไปใหม่อีกลูกเกิดมาเนี่ยเพราะ อ, อาหารที่รับประทานเข้าไปนี่ไฟธาตุย่อยย่อยแล้วก็ซึมซาบไปตามร่างกายนี้ทำให้ร่างกายนี้มีกำลังเรียแรงเหมือนเดิมมีผิวพันธุ์เต่งตึง ไม่สูบสีดไม่หิวแห้งเพราะรูปใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนรูปเก่าถ้าลองไม่รับประทานอาหารลองดูสิจะเป็นยังไงอะรูปนี้มันก็มีแต่หิวแห้งเข้าไปเท่านั้นเองมันจะไปเปล่งปังถึ่งตังนึงนี่ไม่มีหรอกไม่มีเหตุที่มันเปล่งปังอยู่ได้นี่เพราะอาหาร หล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นเองรูปนี้นะ่ะฉะนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้จึงจะเห็นความไม่เป็นสาระแก่นสารของรูปกายอันนี้ได้ตามเป็นจริงจึงจะถอนความรักความชังในรูปในกายอันนี้ออกไปได้แม้ไม่หมดก็เรียว่าเบาบางไปถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงความจริงได้นะ จิตมันก็คลายแนละ้วมันคลายความยึดถือคลายความรักความชังเพราะมันเห็นแล้วว่าก็่เมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อมันแปรปวนอยู่เนี่ยสมควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยมันก็ต้องตอบตัวเองได้ดีๆเนี่ยว่าไม่สมควรเลยเมื่อไม่สมควรนั้นจะทำยังไงบะนี่ ก็สมควรจะต้องรู้เท่าตามเป็นจริงเมื่อเวลารูปนามอันนี้ยังไม่แตกไม่ดับจิตนี่ก็รู้เท่าวนไปอย่างนี้แหละแล้วก็บำรุงวนไปตามธรรมชาติในเมื่อขนบุญผนกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้มารักษารูปกายอันนี้ไว้ยังไม่ให้แตกให้ดับไปก็ต้องบำรุงร่างกายอันนี้ไป โดยอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนรักษาพยุงไว้แล้วอาศัยอาหารที่รับประทานเข้าไปในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งประกอบกันเข้าในคนเราถ้าบุญเก่ามันน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วนี่รับประทานอาหารก็ไม่ได้มาก ได้ทีละน้อยละน้อยหนึ่งมันเป็อย่างงั้นบุญเก่านี่จึงคิดว่าสำคัญไม่ใช่น้อยนะคิดตัวให้ดีถ้าเมื่อบุญเก่านี่ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ยูเนี่ยมันก็กินได้นอนหลับรสชาติอาหารก็อร่อยอยู่ทำการทำงานอะไรก็ได้ก็ไม่ค่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเท่าไหร่ เสร็จเลยก็เพียงเวลาทำการทำงานไปพอพักการงานลงไปแล้วก็หายเหนื่อยนี่เรียกว่าร่างกายมันเป็นปกติอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้อาศัยบุญเก่าบำรุงไว้ทีนี้เมื่อบุญเก่ามันร่อยหลอลงไปแล้วนะ แน่นจะมีอาหารดีวิเศษยังไงมาบำรุงมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ปกติอยู่ไม่ได้มันก็สำรุดทุดพรมอาหารไปนี้มันจมมันก็รับประทานไม่ได้ลองสังเกตดูให้ดีนี่หละปัญญานะเมื่อจิตตั้งมัน่นลงไปแล้วเราก็ จับเรื่องใดที่เรายัางไม่รู้แจ้งเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาลงไปแยกพายไปให้มันเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วมันก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพียงเราอาศัยมันเพื่อบำเพ็ญ กูสนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองนะไม่ใช่เราอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่ออะไระถ้าผู้ครองเรือนก็จะเข้าใจไปว่าอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่อความสนุกสนานในกรรมคุณเพื่อความสนุกสนานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ต่างๆนานาที่โลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆถ้าผู้ครองเรือนมีภาวนาแล้วได้หยิบยกเอารูปเสียงกลิ่นรนสสัมผัสมาพิจารณาให้ตี่ท่นลงไปเช่นนี้มันก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีสาระเก่นฝันอะไรเลยมันจะคลายความหลงความเมาในรูปเป็นต้นเหล่านั้นลงได้ ในร่างกายนี่ก็เหมือนกันเลยถ้เป็นนักบวชก็ตามเป็นเจริยหัดก็ตามมันก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยอันเดียวกันนั่นแหละมันจะแตกต่างอะไรกันเล่าอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมาสานุกบารงไว้